คูเราก็ได้สวดมนต์อภินาจปัจจเวกบทนี้เป็นบทที่มีความสําคัญกับชีวิตเรามากคือเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดภาคจากของรักของชอบใจและมีกรรมเป็นของตัวเราทําดีก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วอย่างพวกญาติธรรมส่วนมากทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเราจะเห็นคนป่วยคนเจ็บ ตายมากแต่ละคนถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะมีกรรมที่แตกต่างกันคนที่ผ่านการเจ็บป่วย้ากๆเนี่ยบางครั้งอา จ, จทำให้ไม่ประมาทเพราะโดยปกติคนเราเนี่ยจะทำตามกิเลสตัวเองจะใช้ชีวิตแบบประมาทอาจจะหลงและเริงในความสุขสนานเพลิดเพลินหลงในวัตถุต่างๆแต่ถ้าเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะรู้เลยว่า สิ่งของนอกตัวเนี่ยบางครั้งช่วยเราเราไม่ได้เลยคนที่ป่วยหนักบางอยากกินข้าวยังกินไม่ค่อยลงเลยเราต้องเราต้องพึ่งพึ่งพาตัวเองคนป่วยเนี่ยถ้าเราตระหนักข้อ น, อ น, นี้นะเราเห็นความจริงของชีวิตสามารถเปลี่ยนลห้กลายเป็นดีได้หันมาสนใจศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมก็อย่างพระพุทธองค์เนี่ยท่านก็เห็นเห็นเทวทูต เห็นความทุกข์ต่างๆถ้าถึงออกบวชคือถ้าเราไม่เห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็ไม่คิดจะปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราจะไปทฏิมเพื่ออะไรเราสุขอยู่แล้วสมยพุทธกาลนี้ก็มีมีคนบรรลุธรรมมากมายเลย ท, ที่ที่ว่าเจ็บป่วยยกตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องพัทธิศะกพัทธิศะท่านป่วยแบบเป็นเนื้อตัวเปื่อยจากตอนแรกนะเป็น มีเม็ดเล็กๆขึ้นมาไม่เท่าถั่วเขียวหนังหนักเข้าก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่าผลส้มแล้วก็เท่าผลมะตูมแล้วก็แตกออกมามีแต่น้ําเลือดน้าหนองแล้วเป็นหนักเข้ากระดูท ก, ก, กท่านก็แตกอีกท่านก็ได้รับทุกเวทนามากพระที่อยู่ก็ช่วยกันดูแลช่วยกันคือถ้าช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ท่านก็ไม่หายทีนั่นแน่นอนรอความตายจนต่าหลังพระที่ช่วยก็เริ่มทยอยทยอยกัน ห่า ง, งเหินน่ะจากช่วยร่างกายเป็นไม่ได้ช่วยปล่อยท่านรอความตายอยู่คนเดียวเช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์ท่านก็สํารวจด้วยข่ายพยานคือหน้าที่พระเจ้าเนี่ยท่านจะสํารวจตอนเช้าว่าท่านอยู่ไอปรดใครได้บ้างใครที่มีอินทรีย์แก่กล้าสามารถบรรลุธรรมได้พระองค์ก็จะไปปวดปรดปากฏว่าพัทิษัตรเนี่ยขึ้นมาในพระข่ายพยานขององค์และพระองค์ก็รู้ว่าวันนี้พัทธิษสตริต้องตาย พระองค์หลังจากฉันเช้าเสร็จก็เดินทางไปยังกุฏิของพะธิสสะพร้อมกับผ้าอานนล์คายไม่ถึงพระพุทธองค์ก็ให้ผ้า อ, อนนล์เนี่ย ก, ก่อฟืนและต้มน้ำพระองค์ก็นำจีวรและผ้าของพะธิสสะเนี่ยออกมาซักแล้วก็ตากแลก้วใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวเท้าผับสะอาดบาดแผลต่างๆทาให้พะธิสสะ สบายตัวขานานจิตก็รวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอตัคตาจิตพระพุทธองค์ก็แสดงทรให้ฟังใจความก็คือว่าไม่นานนี้ร่างกายก็จะนอนทับซึ่งแผ่นดินเปรียบประดุดเหมือนดังท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีวิ ญ, ญญาณคองที่ขนเขาก็มวัวแต่หลงในร่างกายนี้ซึ่งหาสาระก่นสารไม่ได้หลังจากที่พธิษะฟังธรรมนั้น ซึ่งท่านเองก็เบื่อหน่าในร่างกายอยู่แล้วได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหรันต์ทันทีเลยหลังจากบรรลุ ธ, ธรรมปุ๊บท่านก็ละสังขารพระก็มาถามพระองค์ว่าพระธิสารเนี่ยเป็นผู้ที่มีนิสัยพระอรหันต์ได้ทํากรรมอะไรไว้ถึงต้องเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าสมัยพระพุทธเจ้ากาสปะมีชายอยู่คนหนึ่งชอบจับนก มาขายวันไหนขายไมหมดหรือนกที่เหลือเนี่ยก็จะนามาทำเป็นอาหารแต่ก็ทำไห้หมดก็จะหั ก, ห, กหักปีกแล้วก็หักขานกเพื่อไม่ให้นกบินหนีแล้วก็นํามาขายในวันรุ่งขึ้นซึ่งชายหนุ่มคนนี้ทำทุกวันวันแล้ววันเล่าแต่มีอยู่วันหนึง่งขณะที่ชายคนนี้กําลังจะรับประทานอาหารเช้าด้วยอาหารปลานี๊ย ตอนนั้นก็มีะ้าขี่นาสมหรือผ้าอาหารมาบิณฑบาต ท, ที่หน้าบ้านชายผู้นี้ก็คิดว่าโอ้โหชีวิตเรานี้ทำบาปมาทั้งชีวิตวันนี่ขอทำบุญสักวันหนึ่งจึงนำอาหารนัปานนี่เนี่ยมาถวายแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเข้าถึงธรรม ท, ที่ท่านรู้ท่านบรรลุจงมีข้าพเจ้าผ้าลหัน ก็ให้พรว่าจงไปไปตามนั้นเถิดหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็ตายไปแต่ขณะจิตสุดท้ายเนี่ยผลบุญได้ปรากฏขึ้นมาก็เลยไปเกิดเป็นเกิดเป็นเทบุตรเป็นสวรรค์ชะาดาวดึงเพราะว่าทาบุญกับพระอรหันเนี่ยกุศลแรงมากสามารถขึ้นมาก่อนกรรมต่างๆได้แล้วก็ลงมาเกิดมาในพระเจ้ายุคปัจจุบันเนี่ยเกิดเป็นชายหนุ่มแล้วชายคนนี้ ก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงมาขอบวชพระพุทธองค์เล็งด้วยยานว่าบุคคลผู้นี้มีนิสยัยพาลหันจึงรับให้บวชบวชมากวก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิจนได้ฝึกเจริญสมาธิแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นฌานาโลกีคื อ, อยังทรงฌานไม่ได้แล้วก็เกิดป่วยเป็นโรคซะก่อน แล้วก็มีอีกหลายคนอาศัยพุทธการที่บรรลุธรรมคือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่งคนป่วยจึงมีโอกาสเห็นธรรมเข้าใจชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ป่วยบางครั้งท่านราพิษนางจริงหมอจึงมีโอกาสปฏิบัติธรรมมากกว่าคนที่ทําอาชีพอื่นเพราะจะเหตุต้องคุ้มขี่คนป่วยอย่างยกตัวอย่างให้ชัดก็คืออาจารย์กำพลต่อบุ่นนุ่ม ชีวิตข อ, อาจากจามพลเนี่ยพลิกผันจากคนที่ชีวิตและอนาคตกำลังรุ่งโลดต้องมากลายเป็นคนพิการเป็นอับอประพึกอับประ พ, พาดท่านก็อ่านหนังสือธรรมะเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยต้องสิบหกปีแต่ก็จะดับทุกข์ไม่ได้จนท่านมาเจอหลวงพ่ออมเขียนแล้วมาเริ่มลงมือฝึกตอนนั้นแหละท่านถึงจิตตื่นขึ้นมาออกจากความพิการและจิตใจได้จามพล ถ้าไม่รู้ว่าจิตกับกายเนี่ยมันคนละส่วนกันร่างกายเป็นอาภพาตแต่ใจไม่ได้เป็นด้วยใจก็ท่ายึดเป็นอิสระแล้วก็มีคนพิการหลายคนที่ก็เดินตามรอยอาจารย์คำพลคือเปลี่ยนแลให้กายเป็นดีได้อาจารย์พลท่านก็บอกไว้ว่าคนใค้ที่โชคดีเนี่ยจะต้องมีห้ามีดีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งต้องมีหมอดีมียาดีมีเครื่องมือดี มีอุปกรณ์ดีและมีจิตใจที่ดีในห้าอย่างเนี้ตัดสี่ข้อไปก็ได้อาจารย์กมพลบอกข้อจิตใจดีสำคัญที่สุดคนไข้บางคนจิตใจไม่ดีพอหมอบอกว่าอีกสองเดือนจะตายอีกสามเดือนจะตายเนี่ยความคิดมันก็ปรุงแต่งเราคนตายเรยกว่าที่หมอก็หมดไปให้ด้วยสามไแต่บางคนที่จิตใจดีอย่างเช่นอาจารย์กมพลเนี่ยหมอบอกว่าอีกสามเดือนจะตาย ที่จริงอาจารย์กพลเนี่ยหมอหมอเขากําหนดไว้ว่าจะตายประมาณเดือนกุมภานแต่ตอนนี้ก็ปาเข้าไปเดือนสิงหาแล้วยังไม่ตายซึ่งไม่เหมือนคนไข้คนอื่นซึ่งเป็นไปนตามคําทํานายของหมอแต่ส่วนมากจะไม่เกินนะจะจ ะ, จะตายจะตายก่อนด้วยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเนี่ยจะจิตตกและจะทนเวทนาไม่ค่อยได้ที่จะท้อแท้ในชีวิตแต่อาจารย์กพลท่านท่านไม่เหมือนคนอื่น ท่านมีความสุขทั้งจิตใจท่านบอกว่าท่านเนี่ยมีอยู่บายบสามอย่างคือสามยอมยอมที่หนึ่งก็คือยอมรับความเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นกับท่านถ้าก็ยอมรับเพราะโดยทั่วไปแล้วคนไข้เนี่ยจะยอมรับยากว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนป่วยนะต่างเนี่ยแต่ถ้ายอมรับความเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็ทําใจได้ยอมรับได้เนี่ยปัญหาตัวนี้ก็หมดไป แล้วยอมที่สองคือยอมให้เป็นไปตามธรรมชาติปล่อยให้เป็นไปหมอจะรักษาหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรคือเป็นไปตามเหตุการณ์ต่างๆยอมที่สามก็ยอมตายเพราะว่าที่สุดหลุงกลางปัวแล้วคือความตายอย่างคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยความกาลัวระแวงหวาดกลัวภัยต่างๆกลัวงู ก, กัดกลัวคนมาฆ่ากลัวลิ้นฟ้ากาดกลัวหนาวกลัวฝนกลัวร้อน กัวทุกสิ่งแหละถ้าไปรวมดูด ด, ดีแล้วเนี่ยมันจะไปไปอยู่ที่การกลัวตายถ้าคนที่กลัวตายมากจะทุกมากคนกลัวตายน้อยจะถุกน้อยเพราะกลัวตะความกลัวตายเนี่ยมันอยู่ที่เป็นศูนย์ลู่ของอัตตาเลยอัตตาซึ่งอยากจะมีชีวิตอยู่อัตตากลัวการสูญเสียฉนั้นความกลัวทุกยนิตเนี่ยจึงมารวมที่ที่การกลัวตายพอเรายอมรับว่าตายก็ตายอยู่ก็อยู่เนี่ยจิตมันก็ปล่อยวางจิตมันก็จิตมันก็ยอมรับรับได้ถ้าก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอด ผิดเหตุผลฆ่าคนอื่นซึ่งไปเสดดิ้นหลนอยากจะอยู่ใต้ลกธรรมเนี่ยมีราบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสื่อมมีนิทาอันนี้เกิดกับทุกคนแล้วก็ไปอยู่ใต้บัคคาบัญชาของใครบางวันเราก็เจอในเรื่องดีทั้งวันบางวันเราก็เจอเรื่องทุกข์ทั้งวันแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงของโลกธรรมเนี่ยเราก็จะทุกข์ไปเสดและผักสาย คือโดยนิสัยของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะจะรับความสุขและเกียดความทุกข์พอมีความสุขเราก็รับเข้ามาพอมีความทุกข์เราก็ผักใสคืออยากจะได้สิ่งดีๆบางทีก็อยากได้แฟนหน้าตาหล่อๆหรือสวยๆหรือร่ํารวยมีความรู้ดีมีฐานะดีต่างๆเนี่ยหรือเก่งซึ่งทุกคนคิดแบบนี้กันหมด แต่บางครั้งก็ไม่ได้ดังใจเราปรารถนาเราก็สามารถทุกได้เพราะโลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามใจเราบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับกรรมด้วยกรรมที่เราสะสมไว้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเชื่อเรื่องกรรมมากขึ้นเพราะถ้าเราจําจากหนังสือเราก็ไม่เชื่ออะไรว่าบุญมีบาปมีอย่างพระทิสานเนี่ยทาบุญกับพระอรหันต์แค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวในชีวิตจริงๆ สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แต่กรรมที่ท่านทําไว้ท่านก็ต้องรับรับทุกขเวทนาคือเป็นฝีผู้พองเปลือยด้าของตัวแล้วก็กระดูกแตกเพราะกรรมที่เคยหักขานกหักปีกนกไว้มาให้ผลแต่กรรมดีที่ท่านอิฐฐานไว้คอยบรรลุธรรมเนี่ยก็ทำให้ท่านบรรลุธรรมได้อันที่เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมีิฐานอยู่เรื่องหนึ่งมีลาแก่ตัวหนึ่ง ลาตัวนี้วันหนึ่งเดินเล่นในสวนหลังบ้านเผอเอินเกิดพลาดเดินตกหลุมหลุมนี้ก็ลึกลึกพอสมควรลาอยู่ในหลุมลาก็ตกใจมากแล้วก็ร้องโวกเวฟคือลาพูดภาษาคนไม่ได้คือส่งเสียงร้องแบบขอความช่วยเหลือเจ้าของบ้านได้ยินลาร้องก็รู้ว่าลาตกหลุมแล้วคิดอยู่ในใจเอลาเนี่ยแกมากแล้ว เดี๋ยวก็ต้องตายเราก็ต้องขุดหลุมฝังอยู่ดีอยากขนาดนั้นเลยเราฝังลาตัวนี้เลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาขุดหลุมเจ <c oughs> ้าของลาจะไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันช่วยกันเอา ด, ดินกบหลุมเพื่อฝังลาดินโดนหลังลาลาลากร้องโหยหวยหวเลยเพราะลากลัวตายตัวดินทุกครั้งลาจะร้องทุกครั้งจนมาสักพักหนึ่งคนที่ขุดดินกบ ก็มีความเสือแปกใจเอ๊ะลาเราไปหายเงียบไปตอนที่ลาลามีความคิดตัวใหม่ขึ้นมาแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้เวลาดินโดนหลังลาลาก็สลัดแล้วก็เหยียบเหยียบแล้วก็ดีตัวเองขึ้นมาเวลาโดนดินใส่หลังก็สลัดแล้วเหยียบเหยียบกระโดดดีตัวขึ้นมาตรงนี้ครั้งแล้วครั้งเล่เาจะในสุดลาก็สามารถหลุดพ้นจากหลุมอันนั้นได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนได้เพราะลาใช้ความพยายามไม่ท้อแท้ พอถ้าคนท้อแท้ชีวิตเนี่ยส่วนมากก็ซ้ําเติมตัวเองหมดกพลังใจแล้วก็อยู่ในโลกนี้แบบไม่มีความหวังเรารู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แต่เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นได้ถ้าเรามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเองเราสามารถปล่อยวางได้เร็วอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่ยริงก็ไม่สาคัญนะเท่ากับเราวางใจกับสิ่งนั้นอย่างไรอย่างยกตัวอย่างให้โยมฟังอยู่เรื่องหนึง่ง เรื่องนี้อัลมาเคยเล่าบ่อยพระในวัดหรือแม่ชีในวัดอาจจะฟังบ่อยแต่ว่าโยมที่บุรีรัมย์แล้วก็โยม ล, ลงพิบาลเสาให้อาจจะไม่เคยฟังที่จังหวัดอุดรมีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งหลวงพ่อรูปนี้ท่านจะมีชีวิตที่มีความสุขมากท่านเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกิดอะไรขึ้นกับท่านเนี่ยท่านก็มักจะพูดว่าดีเนาะจนติดปากชาวบ้านก็เลยขนานนามให้ท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่ง ลูกศิษย์ท่านนิมนต์ไปฉันเพนลแล้วรถเสียจึงมาช้าหลวงพ่อท่านก็รอต้องนานเห็นลูกศิษย์ยังไม่มาทีคิดว่าวันนี้คงไม่ได้ไปกินนิมนต์แล้วแหละจึงนาอาหารที่บิณฑบาตมาฉันท่านก็บอกว่าฉันหางเราเองก็ดีเนาะฉันไปได้ไม่กี่คาลูกศิษย์ก็มาถึงแล้วก็ช่วยหลวงหลวงพ่อรีบไป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 คนขับซ่อมต้องงานรถก็ยังไม่ติดจึงมาวานหลวงพ่อให้ช่วยเข็นตอนนั้นหลวงพ่อก็อายุมากแล้วหลวงพ่อก็ลงมาช่วยเข็นนะหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะจะได้ออกกอลังกายก็เข็นจนติดอะ่ะคันถึงบ้านงานก็เลยเวลาฉันเพลนพ่อหมดสีเวลาก็เริ่ซ่อมรถหลวงพ่อก็เลยอดฉันฉันเช้าก็ได้ไม่กี่คํา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 เขาได้ถามหลวงพ่อป้นมาป้นทำไมดีเนาะดีได้ไงหลวงพ่อก็บอกว่าข่าเนี่ยดูแลทรัพย์สมบัติมานานแล้วต้องมาเฝ้าจนเสียเวลาอิงเอาไปก็ดีใครจะได้สบายไม่ต้องคอยนั่งเฝ้าอีกเพราะฉะนั้นไองป้นไปก็ดีเนาะโจมันก็บอกข่าเนี่ยไม่ได้แค่ป้นเนั้นจะฆ่าหลวงพ่อด้วยเพราะว่าต้องฆ่าปิดปากเดี๋ยวหลวงพ่อบอกบอ ก, บอกตำรวจ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 โจมมันก็ถามเลยเอ๊ะฆ่าก็ดีไม่ฆ่าดีหลวงพ่อจะเอาไงกันแน่พอดีเนาะก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยตำรวจก็ต้องตามจับเองหรือไม่ก็ต้องวิสามาันฆาตกรรมเองแถมเองตายไปต้องลงนรกอีกเพราะทำำํากรรมเวทําเบี้ร้อยมากไม่รู้จะได้ผุดได้เกิดหรือเปล่าเพราะเองไม่ฆ่าฆ่าอย่างดีโจมได้ฝังนั้นก็ได้คิดก็เลยไม่โป้นเลยไม่โป้ น, ปนแล้วก็ไม่ฆ่า หลังจากนั้นไม่นานโจรคนนี้ก็โดนตรวจจับพอพ้นโทษออกมาก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดีเนาะมาบวชเป็นพระ อ, อยู่รงนานอันนี้ผลของการมองโลกในแง่ดีพยายารได้ร้ายหลวงพ่อดีเนาะทำให้ไปดีหมดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปบินทบาทแล้วพรอเด็กเนี่ยกำลังทะเลาะกันแล้วเฟียกก้อนหินะมาโดนมาโดนหน้าหลวงพ่ออยู่ช่วงระหว่างคิว ก็เล่นเอาได้เลือดอ่ะเย็บหลายเข็มลูกศิษย์เห็นข้าก็รีบมาทำแผลให้หลวงพ่อแล้วก็ด่าพวกเด็กเสี ย, สยหายด่าด้วยความโกรธหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะที่มันไม่โดนตาแล้วก็มีหลายเรื่องที่ว่าเหตุการณ์ด้ลายหลวงพ่อมองปรดีหมดเลยไปรถไฟไม่ทันท่านก็บอกดีเนาะพอพอนั่งรถไฟทันท่านก็บอกก็ดีเนาะจะได้กลับบ้านเรา ท่านวิธีคิดแบบหลวงพ่อดีนอสเนี่ยสามารถใช้ได้อนาบาก็ไปใช้บ่อยสามารถที่ค้าเหตุการณ์ต่างๆที่เราเนี่ยบางครั้งเหตุการณ์ต่างไม่ได้เป็นเป็นตังใจเราหรอกบางครั้งอาจจะต้องรออะไรที่นานๆหรือนัดใครแล้วนัดใครไว้แล้วน่โดนเบี้ยวเขาไม่มาตามนัดอาจจะรถติดมั่งเจอเหตุการณ์อย่างอื่นมั่งเพราะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยจะรักสุเกียิทุก จะไปเสีสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่สิ่งที่อชอบเนี่ยก็ยินดีด้วยนั้นของเรจาจึงทุกข์ไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องรับทั้งสองอย่างอทั้งสิ่งที่อชอบและไม่ชอบอยจจผิดหวงังสมหวังค่าวเขากันไปเราอยู่ในโลกธรรมเนี่ยมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสริฐเสริฐลินทาอันนี้เป็นสิทธุทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครหลีกหนีพน้นหลวงพ่อดีนอนเนี่ยเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนลาให้กลายเป็นดีพิรุกิจให้เป็นโอกาส อยพุทโยมันนังที่นี่อาจมาคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องมีความโกรธแต่ความโกรธของเราเนี่ยเราจะ ม, มีวิธีจัดการความโกรธของเราอย่างไรมาเล่าเรื่องอมาให้โยมฟังดีกว่าเพราะว่าเกิดขึ้นกับตัวเราเองสมัยอี่มาบวชใหม่เมื่อปีสองห้าสี่ห้าช่วงนั้นมีพระที่วัด น, นี่ยไม่กี่รูปหรอกพระน้อยตอนนั้นมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่ามดเท่ารูปนี้เป็นคนบ้าบ่าวแล้วติดหนังสือพิมพ์มากอ่าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะย้อน จะอ่านทุกตัวอักษรเลยอ่านเสร็จแล้วก็กลับมาอ่านใหม่แล้วมีอยู่วันหนึ่งหนังสือพิมพ์เขาหายที่ศารหน้าเขาจะใส่กล่องไว้ใครไปเอาหนังสือพิมพ์เขามาดูไม่รู้ <c oughs> เขาก็ไปตามเดินปลูกอัลมาท่าตีสามกว่าที่กุฎีอะเมื่อก่อนอาลมาอยู่กุฎีเบอร์สิบเจ็ดปลูกขึ้นแบบทวงหนังสืออรามาไม่รู้เรื่องเลยแล้วตอนหลังเขาก็มาม า, ม า, มาว่าอ่ลมาแล้วว่หาหาว่าไปดูแลหนังสือให้เขาหนังสือพิมพ์ ยืนด่าต้้งนานยืนต่อว่าตำหนิบอกนักสืบพิมพ์แค่นี้รักษาให้ไม่ได้เหรอย่างโู้นอย่างนี้ซึ่งเราก็ดูเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะนักสืบพิมพ์เราไม่รู้เรื่องอะไรมันเลยคือเพลาีิประสาทแต่ตอนนั้นเราก็บมโหเหมือนกันนะแต่เราดูเอ๊ะถ้าเราไปพูดจารุนแรงหรือไปทะเลาะบอกแหวงกันก็ใช้กําลังก็ไม่ดีเราโมโหมากเอนนั้นเมื่อก่อนว่าป่าสุกโตพลาด น, น้อย ใบไม้จะเกื่อนวัดเลยทางก็เป็นถนนลูกลังเมื่อก่อนเอามาก็จะฟาดกระจาบละฟาดใบไม้อ่ะคนเดียวตอนเย็นบางที่ฝาดสชั่วโมงเลยบางวันเดีย๋ยวนี้เลิกฝาดแล้วเพรเดี๋ยวนี้คนเยอะพระเยอะมองบนหายก็เตียนหมดอันบาใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์เราก็เลยเอาความโกรธของเรานี่แหละมาฝาดใบไม้รอบวัดลายตั้งแใดหน้าหอตายเนี่ยฝาดบวนไปทางกุดอันบาเสร็จแล้ววนรอบสายอีกรอบหนึ่งฝาดคนเดียวใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะ แต่ก็ได้ผลอยู่ระดับหนึ่งความโกรธมันก็หายนะตอนนั้นอะ่ะคือใช้ความดุนแรงในการทํางานแทนแตท่ที่จะไปชกต่อยกันอันนี้เป็นอุบายก็ช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งแเพราะตอนที่โกรธเนี่ยคนไม่มีสติเดี๋ยวมันคิดอะไรไม่ได้หรอกมันบางทีแผลเม่ตาอะไรมันก็ไม่ไคยทันแต่วิธีที่อามาเคยใช้แล้วได้ผลที่สุดคือการขอโทษขอเข้ามาวิธีนี้จะตัดตัดกรรมได้แล้วก็จะทำจะเคลียร์ทุกเรื่องเลยบางครั้งเราล่วงเกินใครใครล่วงเกินเราเนี่ย การขอโทษจะช่วยได้และอย่างการขอโทษขอเขามาเนี่ยเป็นการลดอัตราเราด้วยเป็นการลดและทําให้ผู้ที่เราล่วงเกินเขาเหตุใจเร า, าเราไม่ได้ตั้งใจเ ร, เราสํานึกผิดแล้วอะไรเงี้ยวิธีที่ช่วยได้อย่างถ้าญาติโยมเนี่ยไปล่วงเกินใครเราสำนึกผิดแล้วขอโทษ ข, ขอโพยขอขามาเขากรรมเวรต่อกันก็จะลดลงทันทีบางครั้งหนุ่นๆก็จะเพิ่มกรรมเรื่อยๆความเกลียดชังรุนแรงขึ้นเหม็นขี้หน้าความโกรธถ้าเราเก็บกดบ้างเนี่ยสามารถฆ่ากันได้นะ เพราะว่าจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันมีเข้าใจผิดไปถูกเดินมาแล้วมึงว่ากูเหรอมึงใส่ร้ายดินทากูเหรออะไรเงี้ยคนไม่โกรธพูดลายรับหลังมันก็เอ้ยมันก็จะอะไรก็ดีหมดอหะแต่คนเหม็นขี้หน้าเนี่ยแค่อ้าป่ามันก็ว่าดินทานแล้วเพราะจิตมันคนเราโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมองทางลบอันนี้เป็นเรื่องจริงแลยฮะเกิดขึ้นทุกคนก็ได้บางคนเนี่ยสิบปีล้างแคงยังไม่สายความโกรธความเกลียดไม่จะหายจากใจเราง่ายๆแต่เราขอโทษขอเข้ามาเนี่ย ช่วยได้แผเ่เมตตาอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็สิ่สำคัญถ้าจะไม่ให้อันั้นเลยก็ต้องเจริญสติเพราะการเจริญสติเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรารู้สึกตัวสามารถตัดอารมณ์โกรธได้เร็วถ้าคนมีอินทรีย์อ่อนมีสติน้อยเนี่ยมันก็ตัดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่คนที่ฝึกบ่อยๆเนี่ยเข้ามามันก็รู้ว่าเป็นแค่ความคิดบัลลอกมันมาแล้วมันก็ผ่านไปความคิดเรายึดไม่ได้ นั้นการเจริญสติจึงสำคัญแะช่วยเราได้ทุกเรื่องเป็นเพื่อนแท้เพื่อนข้างนอกบางทีก็ถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างแต่สติเนี่ยมีประโยชน์กับเราแม้ตอนที่เราทํางานอยู่มีชีวิตยอยู่แม้ได้ยามตายเราต้องใช้ทั้งคนที่มาเจริญสติเนี่ยเรามาถือว่ามีบุญเก่าเยอะนะมีอุปนิสัยเพราะเป็นเรื่องที่ทํายากบางคนกำหนักเลยยกมือไม่ขึ้นนะมือหนักมากเลยมันจะไปไปขุดดินไปทํางานเหรอหูเบาอยู่เลยทําได้ทั้งวัน จะยกมือมันจะตายอ่ะครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนลงแล้วลกเลยเราเช็คได้นะไข้พิกรรมเยอะเนี่ยยกมือไม่ขึ้นหรอกนั่งสมาธิก็คอหักหลับเพราะว่าคนที่อินซีดีเนี่ยนั่งสมาธิหลังตรงแล้วก็ไม่หลับยกมือก็เบาหวิวเช็คได้นะครับไข้กำเยอะกำน้อยไข้บีอินซีแกร่าอินซีอ่อนเราเราจะเห็นได้เราสามารถสร้างกรรำใหม่เพื่อชดเชยกรำเก่าได้เราอย่าท้อใจเหมือนจากกำพลทบุนุ่มที่เป็นตัวอย่างของเราเปลี่ยนร่า้กลายเป็นดี ที่กิศลให้เป็นโอกาสเหมือนพัทิสะทุกชีวิตหมดความหวังแล้วสามารถไปรลุธรรมได้อดมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลากระท่องก่อนฝากโยมสักกรหนึ่งแต่อดมาก็กลัวท่องล่มนะเพราะว่าบางทีจํามาบางทีผิดจังหวะปุ๊บท่องผิดก็มีแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยากท่องอะ่ะถึงล่มก็ไม่เป็นไรวันนี้ท่องกอดับไม่เหลือให้ฟังคือหลวงพ่อเทียกับหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยจะพูดค้ายกันนะว่าห้าที่สุดท้ายเนี่ยถ้าใครปล่อยวางได้สามารถ ไปที่ผ่านได้เหมือนกันแบบฟุ๊กๆไม่ใช่หมดไม่ใช่จะมีโอกาสมีนะฟังก่อ น, นี้อย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากปฏิบัติลำบากจึงผลได้ถ้ารู้ความจริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลอง <c oughs> เมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพันพึงหวาดไหวให้หมนหมอง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 ก็ดับเราดับตนโดนนิพพาน